ไปเป็นหน้าสามรอสิบหกอ่นนะนะ <c oughs> มาขึ้นสังยุตตนิกายขันธวรรวัดต่อ กล่าวถึงขันธบัพขันธวรวักเนะี่ยกเอาสังยุตมาขยายเรื่องขันให้มากขึ้นแต่คิดว่าสักครั้งสองครั้งนี้ก็คงพอนนะพที่เหลือก็ไปอ่านได้แล้วนะเฉพาะในขันธวรวักนะั่นแหละันเดือหาโดยรวมๆแล้วก็ซ้ำๆกันเพียงแตบบ่ว่าเปลี่ยนการสถานที่บุคคลผู้ฟัง แต่เนื้อหาก็เหมือนเหมือนเดิมข้อความในเพนะบินดสูตรสังยุตตนิกายขันธวรวัคข้อสองสี่สองกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอโยธทยาไม่ใช่อยุทยานะคุณล้านณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจ์ทั้งหลายแล้วมาตรัสว่า ดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายแม่น้าคงคานี้พัดพาเอาฟองน้าก้อนใหญ่มาบุรุษผู้มีตาดีจะพึงเพ่งพินิษพิจารณาดูโดยแยบคายซึ่งฟองน้าจํานวนมากนั้นเมื่อเขาเพ่งพิพนิษฐพิจารณาดูโดยแยบคายฟองน้ํานั้นก็พึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าเป็นของว่างเป็นของเปล่าหาสาระไม่ได้เลย สาระในฟองน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ชันใดดูกนพิสูจทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตและปัจจุบันนี่นะภายในหรือภายนอกอยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ก็ฉะนั้นเหมือนกันนี่นะคือไม่มีความต่างอะไรจากฟองน้ำที่กล่าวไปแล้วภิกษุ์เพ่งพินิษ์พิจารณาดูรูปนั้น โดยแยบขายเมื่อเธอเพ่งพินิษ์พิจารณาดูโดยแยบขายรูปนั้นก็จะปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในรูปจะพึ่งมีได้อย่างไรภิกษูทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพระสูตรที่พระองค์ชี้ให้ดูก้อนฟองน้ำก้อนใหญ่ๆโตเนี่ยแล้วก็เอามาเปรียบกับรูปประคันซึ่งในอัตกะถา กล่าวว่าพวกชาวเมืองอโยธยาเนี่ยเห็นพระตถ า, าคตมีภิกษุจำนวนมากเป็นบริวารเสด็จเที่ยวจาริกมาถึงเมืองของตนก็ได้ช่วยกันสร้างวัดถวายพระาศาสดาในภูมิประเทศที่เดรอดรดาดไปด้วยไัยสนใหญ่ตรงที่แห่งหนึ่งซึ่งมีแม่น้ำาขงคาเนี่ยไหลวนก็แสดงว่าเอ่อมันเป็นเหมือนกระจ ง, งอยอะนะมันแม่น้ำมันจะไหลอ้มอม ตรงปกติที่ตรงไหนที่น้ํามันไหลอ้อมเนี่ยน้ํามันจะมันจะพุ่งไปชนอีกที่หนึ่งนะมันพอมันไปชนเช่นไปชนหินข้อมันจะเกิดฟองน้ําขึ้นเนะพอชนกระแทกแรงกระแทกมากๆๆกก็จะเกิดเป็นฟองเป็นฟองเป็นฟองถ้าปกติถ้าไหลเอ่ยๆมาธรรมดามันจะไม่ไม่เกิดเป็นฟองน้ำนะมันจะต้องไปไปกระแทกกับเช่นน้ําตกเนี่ยนะน้ำจากข้างบนตกลงมา กระทบกับน้ำข้างล่างมันจะค่อยๆฟองมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องน้ำไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะและชนนานๆปริมาณที่นานมากมันก็จะเกิดเป็นฟองที่มันเป็นฟองด้วยได้เพราะว่าไอ้พวกเศษขยะทั้งหลายแหละที่ไหลมากับน้ำเนี่ยก็จะปนกับฟองนัอง บทว่าตัดตะโคพระควาพิขูอมันเตสิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารนั้นเวลาเย็นก็เสด็จออกจากพระคันทกูตีไปประทับนั่งบนบรวรผู้ธาตที่ชาวเมืองจัดถวายไววนะริมฝั่งแม่น้ำคงคาทอพระเนตรเห็นฟองน้ำใหญ่ลอยมาในแม่น้ำคงคาจึงทรงรำลึกว่าเราจะกล่าวธรรมะข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเบญจขันในศาสนาของเรานี้ แล้วก็ได้ตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายผู้นั่งแวดล้อมอยู่คือปกตินี่ผู้ที่โยนิโสมนัสิการมากหรือเห็นอะไรพิจารณาเป็นธรรมะหมดเนี่ยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นพระ อ, องค์เห็นฟองน้ำปะพระ อ, องค์รู้เลยว่าจะต้องเอาอะไรมาเทศเอาอะไรมาพูดแล้วซึ่งเหมาะกับอัธยาศัยนิสัยของผู้ฟังด้วยธรรมะเหล่านั้นเป็นเป็นคพูดที่นาออกจากทุกข์ด้วย ํานวนว่าเห็นฟองน้ําแล้วพูดให้ออกจากวัตฏะได้เลยเนี่ยนะมันเป็นผู้มีความสามารถมากก็เลยเห็นฟองน้ําเลยก็เอามาแสดงทำมันของเรานี่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยเอาอะไรมาแสดงได้บ้า ง, างนะลมพัดเอ่อยเอาอะไรมาคิดถึงให้เป็นธรรมะบ้างเงี้ยแสงสว่างเกิดขึ้นหรือนั่งอยู่เนี่ยจะได้ธรรมะอะไรบ้างก็ต้องมันใคร่ครวนแบบนี้บทว่ามหันตังเพนะบินดังความว่า ฟองน้ำเริ่มตั้งตั้งแต่มีขนาดเท่าผลผู้ซาและล้อรถในคราวแรกๆก่อตัวแล้วเมื่อถูกกระแสะน้ำพัดไปก็ก่อตัวใหญ่ขึ้นตามลําดับจนมีขนาดเท่ายอดภูเขาซึ่งสัตว์เป็นจํานวนมากมีงูน้ำเป็นต้นอาศัยอยู่ได้แก่ฟองน้ำที่ใหญ่ถึงปานนั้ น, น, นก็เคยเล่นฟองน้ำอยู่เหมือนกันสมัยเด็กๆเกนี่ยเล่นฟองน้ำบ่อ เล่นไปแต่ว่ามันกไ็ไม่ใหญ่แบบขนาดในเนี้ยเพราะว่าเป็นแม่น้าเล็กๆกันนะก็<อ>จะมีฟองน้าใหญ่ๆเท่ากับดงนะ้งไม่เกินเนียก็จะไปเล่นกับฟองน้าเหล่านั้นออาครับว่าฟองน้ำตอนแรกอตัวเลนก่อนสาอไปโตโตร็อเปลีก็ยอึนเขา้นแสดงว่าฟองน้าแต่ละขมากระทบกันทำใหญ่ขึ้นอ๋อไม่คือคือไอ้ฟองน้ามันก็เหมือนกับเบาะมันเหมือนเบาะนะมันไม่ใช่แบบเป็นต่อมแบบเป็น ฟองใหญ่แบบนั้นไม่ใช่มันเป็นฟองเล็กๆฝอยเล็กๆเล็กๆแล้วมามาเกาะตัวขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่ค่อยๆ ก, ก่อตัวขึ้นลักษณะนั้นเนี่ยนะเป็นเหมือนกับพวกเหมือนโฟมอ่ะนะมันค่อยๆเก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นคล้ายๆโฟมเนี่ยแหละเช่นครคือของสกปรกพวกคราบพวกเศษขยะแล้วก็อย่างอื่นๆเนี่ยนะอีกหลายอย่างแต่ว่าในนั้นมันก็จะเป็นอะไร มันจะมีช่องว่างช่องโพรงมันมีอะไรนะซึ่งโพรงก็เปรียบเทียบต่เทียบกับร่างกายแล้วเหมือนมาก <c oughs> คือคือในความเป็นฟองเป็นโพรงเป็นเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยบทว่าอาวะหยะแปลว่าพึงนำมาก็ฟองน้ำนี้นั้นย่อมสลายตัวไปตรงที่ก่อตัวบ้างลอยไปได้หน่อยหนึ่งก็สลายตัวบ้างลอยไปได้ไกลเป็นโยตหนึ่งสองโยตเป็นต้น แล้วจึงสลายตัวบ้างแต่ถึงแม้จะไม่สลายตัวในระหว่างทางถึงทะเลหลวงก็ย่อมสลายตัวไปเป็นแน่แท้นะมันก็มันก็ค่อยแตกไปเรื่อยๆนะมันบางถ้าแบบภาพอย่างของเราเลยนะนึกถึงฟองน้ำที่ตรงน้ำตกนพอมันจะเป็นฟองโตๆๆขึ้นเหมือนกับฟองโตมากขึ้นนะมันก็จะอีกพักหนึ่งถ้ามีน้ำหรือมีอย่างอื่นหรือมีใครมาปัดมันจะค่อยๆไหลออกไป พอไหลไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟอไปเรื่อยๆเรืๆๆมันจะไม่สถานที่บางแห่งจะทําให้ฟองเนี่ยมันโตขึ้นไปบางแห่งเนี่ยฟองมันจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปก็ไม่ต่างอะไรจากฟองสบู่มากนักที่มันก่อตัวเนี่ยเวลาซักผ้าเน่ยซักผ้าก็ฟองผงซักฟอกอะนะที่มันเป็นก้อนแต่ว่าก้อนมันมันมันปริมาณของฟองมันฝอยมากเล็กมากนีนะหนาแน่น ถ้าใครแบบนั่งชอบเอาเบาะมาฉีกเล่นอะนะนั่นแหละเหมือนกันเลยบทว่านิชานิชายายะแปลว่าพึงจ้องดูบทว่าโยนิสโสอุปริเขยะแปลว่าพึงตรวจดูตามเหตุนนะหมายคาอว่าเอาฟองน้ำเนี่ยมาวิจัยดูอะนะไม่ใช่วิจัยฝุ่นนะนี่วิจัยฟองน้ำมันนะคิดเรื่องฟองน้ําให้มันตลอดว่าฟองน้ํามันก่อตัวขึ้นยังไง ก่อตัวขึ้นแล้วมันแตกยังไงแล้วในฟองน้ำเหล่านั้นะมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็เรื่องนั้นมาคิดเหือนนบทว่ากินหิสยาพิคเวเพนะปินเดสาโรความว่าดูก่อนพิสู่ทั้งหลายชื่อว่าในฟองน้ำจะพึงมีสาระได้อย่างไรฟองน้ำจะพึงย่อยยับสลายตัวไปถ่ายเดียวเนี่ยตัวฟองน้ำไม่มีสาระอะไรเลยก็การอุปมาเนี่ยนะ จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้รู้ข้ออุปมาอั้นพระองค์ก็บอกว่าเอวะเมวะโขชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยนะสํานวนไทยเราบอกชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันความว่าฟองน้ําไม่มีสาระคือไม่มีแก่นชั้นใดแม้รูปก็ไม่มีสาระชั้นนั้นเหมือนกันเพราะเว้นจากสาระคือความเที่ยงความยั่งยืนและสาระคืออัตตา มีไม่รูปรูปสกรูปหนึ่งอะนะรูปของใครอะที่เกิดมาแล้วเที่ยงเลยนะไม่มีหรอกเนี่ยนะพันสาระคือความเที่ยงของรูปประคันที่เกิดมาเนี่ยไม่มีเอ่อในการพิจารณารูปแบบนี้นะภาพที่เราควรเอามาประกอบการพิจารณาก็คือภาพตั้งแต่เด็กที่อยู่ในคันค่อยๆจนถึงเรียกว่าทบทวนชีวิตภายใน100ปีนะชื่อแวบเดียวนะคิดทบทวนตั้งแต่เกิดจะถึงตายทบทวนอย่างเงี้ยค่อนข้างมาก แล้วธรรมะเหล่านี้เราจะเข้าใจมากขึ้นนช่เพราะองค์ไม่ได้พูดแค่จุดใดจุดหนึ่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่เป็นการมองชีวิตอย่างตลอดสายตั้งแต่อยู่ในคัมเนี่ยนะะแรกปฏิสนธิจนถึงน่นแหละศพแตกเป็นผุยผงนู่นแหละนะ เ, เขามองยาวขนาดนั้นแต่ว่าด้วยอำนาจ ข, ของปัญญาก็สรุปประมวลยอ่อมาให้มันเหลือแป๊บเดียวเนี่ยนะ <c oughs> เปรียบเหมือนว่าฟองน้ํานั้นใครๆไม่สามารถจะจับเอาด้วยความประสงค์ว่าเราจะเอาฟองน้ํานี้ทําภาชนะหรือถาดแม้จับแล้วก็ไม่ได้สําเร็จประโยชน์คือไม่ให้สําเร็จประโยชน์ได้ย่อมสลายตัวทันทีฉันใดแม้รูปก็ฉันนั้นใครๆไม่สามารถยึดถือได้ว่าเราหรือของเราแม้ยึดถือแล้วก็คงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นเช่นกับฟองน้ําอย่างนี้ทีเดียว คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่สวยงามเอาเลยเนี่ยนะก็ถ้าถ้าเปรียบฟองน้ำนะสูตรนี้ถ้าเปรียบฟองน้าเราต้องมองร่างกายเนี่ยระดับอะไรดีเหมือนกับมองเซลล์จริงๆเลยนะมันเพราะว่าไอ้ฟองน้ํากับเซลล์มันมีความคล้ายกันทั้งหลายเรื่องเนี่ยนะก็ต้องขํามองอยู่ในระดับนั้นจะเห็นชัดเลยนะนึกตามสูตรนี่ชัดเลยว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นจะไปเอาความเที่ยงในส่วนเหล่านั้นก็ไม่ได้ จะไปเอาความสุขในส่วนเหล่านั้นอย่างแท้จริงก็ไม่ได้จะไปเอาว่าเป็นอัตราก็ไม่ได้จะไปเอาความงามแท้จริงเนี่ยนะสิ่งที่งามนี่ควรจะมีกลิ่นอะไรกลิ่นแบบไหนจึงเรียกว่างามควรจะเป็นของที่มีกลิ่นหอมเป็นต้นใช่ไหมแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกลิ่นแบบนั้นหมเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเลยตรงกันข้ามเมื่อมันไม่ได้มีกลิ่นดีอะไรอย่างนั้นก็เลยกล่าวว่ามันไม่ได้มีความงามเนี่ยนะเพราะว่าร่างกายนี้ มันก็งามเฉพาะในส่วนผิวภายนอกถ้าไม่พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยนะเช่นเกินผิวไปแล้วนี่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ ไ, มไมหวแล้วอันนี้โดยสีก็ไม่งามทีนี้ถ้าโดยกลิ่นด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะในร่างกายเช่นกลิ่นกลิ่นที่มันไหลออกมาจากกายนะไม่มีกลิ่นดีแม้แต่กลิ่นเดียวโดยที่สุดแม้แต่น้ำน้ำเลือดถ้าไหลออกมาเนี่ยกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นคาวคลาุ่งไปเลย นะอะไรก็ช่างเถอะขอให้มันออกมาจากกายนี่มันจะไม่เรียกว่าไม่น่าปรารถนาสักอย่างเลยมันจึงไม่มีสาระคือความเที่ยงความยั่งยืนความเป็นอัตตาเนะนะมันมันเป็นตัวที่เป็นทุกข์ตัวที่ไม่เที่ยงตัวที่เป็นอนัตตาแล้วก็อสุภะด้วย อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฟองน้ํามีช่องเล็กช่องน้อยพรุนไปเนี่ยนะเชื่อมต่อด้วยที่ต่อร้ายแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์จํานวนมากมีงูน้ําเป็นต้นเนี่ยนะคือถ้าถ้าเป็นฟองใหญ่ๆเนี่ยจะมีงูน้ําไปอยู่ในนั้นด้วยเอามันไปรอดักกินสัตว์ในนั้นนะแต่ถ้าเป็นฟองน้ําเล็กๆอ่ะมันจะมีแมลงเล็กๆอ่ะนะมันมีแมลงที่มันกัดเจ็บๆหน่อยนะแมลงเท่าๆกับ มแมลงสาบนี่เรียกอะไรนะที่มันอยู่ในน้าาําอ่ะเรียกมแมลงอะไรมันจะตัวคล้ายๆแมลงสาบนะแต่ปีกมันแข็งอนะ่ะอ่ะผักผักกลางเขาเรียกมแมลงอะไรตัวคล้ายๆแมลงสาบนะตัวเท่าๆมาแมลงสาบเนะอยบินได้ได้วยนะมันบินอนะไรเนี่ยปีกแข็งเป็นมันนั <c oughs> ่นแหล ะ, ะมแมลงพวกนั้นถ้ามันตัวเล็กๆหน่อยนะถ้าเราไปเนี่ยมันจะกัดมันจะกัด กัดเจ็บด้วยกัดเจ็บเหมือนกะยุงนี่แหละกัดเจ็บกายุงแต่ว่ามันไม่เจ็บนานเหมือนยุงเลยนนะีพวกนั้นมันกัดได้เพราะนั้นพวกฟองน้ําเป็นที่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นนี่นะแล้วก็มีสัตว์อย่างอื่นแม่รูปก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะมีช่องเล็กช่องน้อยพรุนไปหมดเนะี่ยเชื่อมต่อกันด้วยที่ต่อหลายแห่งในรูปนี้มีหมูนอนแปดสิบเหล่าอาศัยอยู่กันเป็นตระกูลทีเดียวในรูปนั้นนั่นแล เป็นทั้งเรือนเกิดเป็นทั้งส้วมเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งป่าช้าข้องหมูนอนเหล่านั้นหมูน่นอนเหล่านั้นย่อมไม่ไปทำกิจทั้งหลายมีคลอดลูกเป็นต้นในที่อื่นนะมันก็แสดงว่ามันเป็นที่อาศัยทั้งคลอดลูกเป็นทั้งส้วมโรงพยาบาลอะไรเบ็ดเสร็จอยู่ในร่างกายนี้หมดเลยรูปก็เหมือนฟองน้าด้วยอาการอย่างนี้บ้างท่านอ หมู่น้อน80ดิตระกูลเนี่ยนะทีแรกเราก็นึกแบบน้อนมันได้ยิบประยับแบบแบบแบแบแต่เราคิดอ่ะนะโหใครไปมีน้อนอะไรขนาดนั้นอ่านตอนแรกไม่เห็นแบบนี้ไม่ศรัทธาอะไรเลยเนี่ยนะแต่ตอนหลังก็เชื่อแล้วเนี่ยนะว่าท่านค่อยๆแบ่งนะบอกว่าตั้งแต่ไล่แต่ว่ากลมกลมกิบบาลีท่านใช้กิมมิชาติอ่ะนะกลมกิมมิชาติซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นศัพท์ที่ต้องแปลว่าตัวน้อนแบบนี่หรอก ก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันอาศัยอยู่ในท่านก็เริ่มไล่ตั้งแต่ผมสัตว์บางชนิดก็อาศัยอยู่ในผมใช่กิมิชาติบางชนิดก็เกาะอยู่ตามขนต่างๆบางอย่างก็เกาะอยู่ในขมขนบางอย่างก็อาศัยผิวหนังบางอย่างก็อาศัยเนื้อบางอย่างก็อาศัยกระดูกบางอย่างก็อาศัยตับบางอย่างก็อาศัยไตบางอย่างก็อาศัยตอดเนี่ยนะแต่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆย่อยๆเนี่ยท่านแบ่งให้แล้วก็ เออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะถ้าตามที่ฟังทางแพทย์เขาวิจัยมาก็ลักษณะเดียวกันก็คือเหล่าสัตว์ทั้งหลายแหละเนี่ยนะแม้กระทั่งในต่อมต่อมเหงื่อนี่มีไหมมีแมลงเอยมีกิ ม, มิชาติอยู่นั้นนะพวกต่อมเหงื่อเป็นต้นก็มีถ้าสองกล้องสองอะไรเนี่ยนะจะมีหมดมันในนั้นก็เป็นทั้งสารพัดนะเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งปตาชา้าเป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลย ร่างกายของเรานี่ไม่รู้มันสุขติภูมิหรือมันทุกขติภูมิกันแน่เหมือนกันนะทามาแยกลักษณะนี้นะเราก็ว่าร่างกายของเราเนี่ยชั้นสุขติภูมินะเดรัฉานก็มาอาศัยเกิดอยู่ตรงนั้นบอกเอ๊ะมันอบายภูมิมั้งเหมือนกันแต่ชั้นมาเกิดอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าถ้าอย่างลำไส้ของเราเนี่ยสมมติลำไส้เนี่ยเราก็บอกเออเนี่ยของเรานี่ยสุขติภูมิ ญาติที่อยู่ข้างในมันบอกไม่ใช่ฉันมาสเสวยผลบาปอยู่ตรงนี้นี่มันอบายภูมินะเหมือนไปนั่งร่มไม้เอ่ยยืนที่ต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งทีนี้เอ้ต้นไม้ต้นนี้มันโ อ, อกาสสโลกมันอยู่ภูมิไหนนะเคยนั่งคิดดูนะในต้นไม้ต้นหนึ่งเอ้เราไปอยู่มันอเอ้สุขตินะเนี่ยเราอยู่น้อยเดราชานอยู่เดราชานก็ก็บอกว่านี่มันอบายภูมิเหมือนแต่บางแห่งเนี่ยถ้าต้นไม้บางต้นแบบโบราณหนะ่อยจะมีเปรตอาศัยอยู่ เปรตก็บอกเออนี่เปรตเปตตคตินี่ถ้าในต้นเดียวกันอีกมีเทวดาอยู่บอกไม่ใช่เทวดานะตรงนี้ยภูมิเทวดานะเพะนั้นเอกคําว่าพบภูมิทั้งหลายแหละโดยทั่วๆไปเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะนะว่าตรงไหนเป็นสุขติภูมิตรงไหนเป็นอบายภูมิอย่างในร่างกายของเราเอางั้นเถอะเนริชานก็อยู่เราก็อยู่อ่ะก็อาศัยด้วยกันเนี่ยมันมันสุขติภูมิแล้วมันอบายภูมิกันแน่บมายพิพินว่าไง ก็บอกว่าไอ้ความเป็นภูมิมเนี่ยเขบอกว่าเอาวิธีวิบากและกรรมชรูปเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เนี่ยนะถ้ากับวิบากและกรรมชรูปที่เป็นผลของบุญน่ยนะอย่างอยในร่างกายของเราเนี่ยเราจะไปบอกว่าทั้งหมดเป็นกรรมชรูปหมดไม่ได้ส่วนไหนที่เป็นกรรมชรูปส่วนนั้นแหละเป็นผลของของความเป็นมนุษย์ที่เป็นสุขติแต่ว่าในในรูปเหล่านั้นถ้ามีกรรมชรูปของเดรัจฉานอยู่ด้วยตัวเดตัวกรรมชรูปของเดรัจฉานนั้นเป็น อบายภูมิเนี่ยนะ ก, ก็ภูมิเอาที่วิบากและกรรมชั่เป็นเป็นเครื่องวัดนั่นเองเก็แบ่งกันอยู่เนาะเราก็อยู่หมูน้อนหมูสัตว์ก็อยู่เนี่ยนะก็อยู่อยู่ด้วยกันไปอแล้วก็บุญเรามีมากกว่าแล้วก็อาศัยมากกากันอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฟองน้ําแต่แรกมีขนาดเท่าผลพุทราและล้อรถ ต่อมาก็ได้ก่อตัวใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ายอดภูเขาตามลำดับชั้นใดแม้รูปก็ฉันนั้นเบื้องแรกก็มีขนาดเท่ากะละะกะละะก็ท่านอธิบายว่าเหมือนกับเอาขนขนสัตว์เล็กๆเนี่ยนะขนแกะขนอะไรเล็กๆแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำมันงาสลัดสัก7ครั้งเนี่ยนะแล้วก็จะมีหยาดน้ำใสๆเล็กๆที่เกาะอยู่ปลายหางอนะ รูปของสัตว์ทั้งหลายที่แรกเกิดเนี่ยจะเท่านั้นแหละ น, นะแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะค่อยๆขุนขึ้นนะนั่นก็ว่าแบบขุนขุนข้นขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเป็นเหมือนกับก้อนเนื้อเหมือนกับชิ้นเนื้อค่อยๆแตกตัวเป็นตัญจาะสาขาเป็นห้าปุ่มเหมือนกันเถอะก็เพิ่มจนผมขนเล็บเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลำดับจนเนี้ยจนเท่าที่มานั่งอยู่ได้นี่แหละ แล้วใ น, นรูปที่แรกๆนี่มันก็เท่ากับหยดน้ำใสๆเล็กนิดเดียวแต่ก็ค่อยๆตัวก่อ ต, ตัวใหญ่ขึ้นโดยลําดับจนมีขนาดวาหนึ่งบ้างก็วาของเราเองอะนะร่างกายของใครก็ปกติก็หนึ่งวาคนนั้นแต่จะไม่ค่อยพอดีบางคนเนี่ยแต่โดยมากวาจะสั้นกว่าร่างกายคนทั่วๆไปนะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าร่างกายกับวาเนี่ยจะเท่ากันพอดี ทีนี้ในหนึ่งคนนะถ้าใครเคยวัดนะวาของตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยจะเท่าตานะวาเนี่ยสูงขึ้นมาเท่าตาอีกคนหนึ่งบางสูงคนก็สูงเท่าคิ้วอีกคนหนึ่งก็หน้าผากแต่ที่เสมอกันเป๊ะเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเหนไเอาวามาวัดนะแต่เคยวัดเนี่ยบางคนก็เนี่ยจะสูงเกินกับปากนิดหน่อยนะแถวๆเนี้ยประมาณปากไปถึงตาเนี่ยแถวๆเนี้ยวาของเราเนี่ยเอาไม่วัดวาแล้วเราก็มายืนตรงๆแล้วมาวัดมาตั้งนะ แต่ว่ า, ว า, วารวมๆก็คือหนึ่งวาเหมือนนเถอะบอว่าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเลยครับปลายเท้าขึ้นาถึสัเอาเอาไม้วาเนี่ยมาวัดวาเราก่อนแล้วไม้วามาตั้งดูว่าว่าไม่วามันจะสูงขนาดไหนอะไรทีนี้ถ้าสัตว์บางอย่างก็เท่ากับยอดเขาเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งกระบือและช้างเป็นต้นเนี่ยนะก็ควายบางตัวเนี่ยตัวใหญ่มาก นี่แหละช้าง ก, ก็ตัวใหญ่น้องๆสิบล้อนั่นแหละบางอย่างก็มีขนาดร้อยโยอดด้วยอำนาจแห่งปลาและเต่าเป็นต้นบ้างานี่แหะปลาเนี่ยปลาไม่ใช่ส ม, มุทรเราเนะียอีกส ม, มุทรส ม, มุทรสีทันดอนนะ่ะกลุ่มคนละส ม, มุทรกันส ม, มุทรนั้นมีปลาตัวใหญ่เป็นร้อยยอดแล้วก็มีเต่าเนี่ยตัวใหญ่รูปนี้เป็นเหมือนกับฟองน้ําด้วยอาการอย่างนี้นี่นะ แรกๆ ก, ก็ก่อตัวขึ้นมานะร่างกายก็ค่อยๆก่อตัวเจริญเติบโตมาโดยลำดับอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าฟองน้ำพอก่อตัวขึ้นแล้วก็สลายตัวบ้างลอยไปได้หน่อยหนึ่งก็สลายตัวบ้างลอยไปได้ไกลก็สลายตัวบ้างแต่พอถึงทะเลแล้วก็สลายตัวแน่แท้ทีเดียวฉันใดแม้รูปก็ฉันนั้นเหมือนกันสลายตัวเมื่อคราวเป็นกะละบ้างเมื่อคราวเป็นอัพุทธเป็นต้นบ้าง ก็แปลว่าตายตั้งแต่เกิดในคันสักชั่วโมงหนึ่งก็ตายก็มีสองชั่วโมงก็มี3ามชั่วโมงก็มี1นึ่อ่าอาทิตย์ตายก็มี2 อ, อาทิตย์สาอาทิตย์ะบอกสรุปแล้วตายหมดหลังจากปฏิสนธิมีสิทธิ์ตายได้ตลอดเลยเนี่ยนะจนถึงนู่นอะระหว่างบางคนก็ทุกข์ก่อนคลอดบางคนก็ตายระหว่างคลอดบางคนก็หลังคลอดบางคนก็หลังคลอด5ปีสิปี20 30 40 50 60 70 แต่ว่ารวมๆแล้วแม้แต่สลายตัวกลางคันอายุต่อไปก็ไม่เกินร้อยปีหรือประมาณเนี้แต่ประมาณสักร้อยปีนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าอีกสามสิบปีนะมาเห็นไม่ไม่เห็นผู้การธนัดนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าถ้าสามสิบปีข้างหน้าก็ร้อยกว่าปีแล้วนะไม่ไม่อยู่แล้วนะไม่ไม่อยู่ถึงอยู่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอยู่ก็ไม่เอานะเพราะฉะนั้นอีกสักแปดสิบปีมาดูคุณบุญชูตรงนี้ไม่เห็นแล้วนะ อยู่ถึงอีกแปดสิบนี่ก็ท้อยถ้าอยู่ร้อยสามสิบนะโอ้โหร้อยสามสิบนี่ก็หนักมากมันก็ยังไงก็ต้องสลายตัวเป็นแน่แท้ทีเดียวนะเธอรูปอยู่ในวิถีทางของมรณะร่ำไปรูปเป็นเหมือนกับฟองน้ำด้วยอาการอย่างนี้บ้างตรงนี้ทั้งหมดอธิบายสองสองสองคำนะผู้ที่ศึกษาอคำว่าความเกิดกับความเสื่อมมาเนี่ยจะเห็นชัด ตอนแรกก่อนนะท่านจะพูดถึงว่าฟองน้ำเนี่ยองประกอบมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วฟองน้ำเนี่ยมันค่อยๆเจริญเติบโตมายังไงแล้วฟองน้ําสลายตัวยังไงร่างกายของเราก็เหมือนกันเลยร่างกายนี่มันมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างผู้ที่เรียนรู ป, ปรขันณ์มาแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมก็คือมหาภูตรูปสี่ปัทวี20ใช่ไหมอาโปสิสองเตโช เซวะโยอีก6นั่นนะเนี่ยคือองค์ประกอบแล้วปัจจัยที่ทําให้มหาพูดเหล่านี้เกิดขึ้นนะ่ะก็ตอนแรกเลยก็กรรมอวิชชาตันหาเจริญเติบโตด้วยอาหารนั่นนะตอนแรกก็รับอาหารจากแม่เป็นต้นเนี่ยก็อาศัยอาหารข้าวสุกขนมสดเนี่ยเจริญเติบโตมาโดยลําดับเสร็จ แ, แล้วในตัวรูปเหล่านี้นะก็ยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีก แล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านบอกว่ามีพญาติอาศัยอยู่ตั้งมากมายเหมือนกับฟองน้ําที่มีสัตว์อาศัยอยู่เยอะๆเป็นหมดเลยแล้วรูปเนี่ยตอนแรกค่อยๆก่อตัวมาเล็กนี้เดียวแล้วค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาอันนั้นท่านพูดนิพพติลักษณะหรืออุทยะพยาเนี่ยนะอุทยับอะ่ะนั่นแหละคือการเจริญเติบโตของรูปมาโดยลําดับว่ารูปมันเจริญเติบโตมาโดยอย่างนี้นะเสร็จแล้วในตอนท้ายท่านก็บอกว่า ฟองน้ำเนี่ยอย่างไรเสียก็ต้องค่อยๆแตกไปเรื่อยๆบางฟองน้ําบางกลุ่มก็แตกเร็วหน่อยบางกลุ่มก็ช้าหน่อยแต่ในที่สุดก็ไม่เกินถึงทะเลหลวงก็แตกหมดรูปก็เหมือนกันเนี่ยนะวิปริณา ม, มาลักษณะเนี่ยของบางบางสัตว์เนี่ยสลายตั้งแต่อยู่ในคันและค่อยๆสลายอย่างนี้มาเรื่อยๆเนี่ยนะก็ก็เสียหายอย่างนี้มาเรื่อยๆะฉนั้นไอสลายที่สร้างความสะเทือนใจให้มากก็คือเนี่ยสลายแบบ แ, บบตแต่คนที่พิจารณาจริงๆแล้วจะเห็นว่ารูปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะถ้าเช่นโดยสันตตินี่จะเปลี่ยนจิตตสันตตินี่ก็เปลี่ยนบ่อยใช่ไหมเห็นบ่อยอุตุสันตติก็เปลี่ยนบ่อยอาหารสัน ต, ติก็ก็เปลี่ยนแล้วกรรมแต่กรรมเนี่ยโดยมากจะพูดเอากำมาสันตติเพราะถือว่าสัน ต, ติเดียวนะกรรมไม่ชรูปดังกาเกิดจนตายนี่ถือสัน ต, ติเดียวถ้าหากว่ากรรมมชรูป ตัดขาดการสืบต่อเมื่อไหร่ก็เรียกว่าตาเยเนี่ยนะแล้วก็หมั่นพิจารณารูปทั้งโดยเหตุเกิดความเจริญเติบโตของรูปมาโดยลาดับแล้วก็พิจารณาถึงความเสื่อมของรูปโดยลำดับและควรพิจารณาทั้งสี่ส ม, มุทฐานนะไม่ควรเอาแค่ส ม, มุทฐานเดียว น, ยนะก็พิจารณาทั้งเหตุเกิดความดับของรูปนี่ในสูตรพระองค์กล่าวว่า รูปนี่เหมือนกับฟองน้ําแล้วรูปที่เหมือนกับฟองน้ําไม่ใช่รูปอันนี้เท่านั้นอย่างเดียวนะรูปแม้รูปในอดีตนะเอาสิเกองมาพิจารณานะรูปในอดีตก็เป็นอย่างนี้รูปในอนาคตก็จกเป็นอย่างนี้รูปปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้รูปภายในเป็นอย่างนี้รูปภายนอกก็เป็นอย่างนี้แหละรูปหยาบเป็นอย่างนี้รูปละเอียดเป็นอย่างนี้รูปเลวก็เป็นอย่างนี้รูปประณีตก็เป็นอย่างนี้รูปไกลก็เป็นอย่างนี้รูปอยู่ใกล้ใกลก็เป็นอย่างนี้แหละ มนะันพูดที่พิจรารณาเพ่งโดยละเอียดจริงๆก็จะไม่เห็นว่ารูปนี่มีสาระอยู่เลยไม่มีนิจจะสาระอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะมีใครเกิดมาแล้วไม่แก่บ้างไหมจริงๆแล้วมันก็แก่นะแต่ถ้าใครมามาหลอกเราหน่อยว่าดูยังไงก็ดูไม่แกะนะ่เนี่ยนะโหอย่างนี้ชอบมากแต่มันก็ไม่จริงอ่ะนะแต่ก็ชอบอะ่ะ <c oughs> ก็แสดงว่าเพื่นฐานนี่ว <c oughs> ิตลาด ตาเนี่ไม่แก่นะครับอยู่ยังไงก็อยู่อยังงั้นก็อันนั้นก็วิประลาสอีกอย่างหนึ่งไปถือว่าเที่ยงจริงว่าไม่ได้เที่ยงอะไรหรอก น, น, นะนะเห็นไหมพิจารณารูปปัจขันธ์นี่ก็คงพิจารณากันมากแล้วนะนี่มาดูเวทนาขันธ์บ้างดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกอยู่ในสารธสมัย น, น, นะนะไอ้ช่วงศาสตร์นี่ฝ น, นตกด้วยแหละ ฝนฝนตกปลายปีนะจะสิ้นปีในช่วงศาสาราธะก็คือช่วงศาสตร์อะต่อมน้ำจะเกิดขึ้นและดับไปในน้ำแสดงว่าฝนตกช่วงรอยกระทงนะก่อนรอยกระทงแถวๆนั้นบุรุษผู้มีตาดีเนี่ยจะพึงเพ่งพิจารณาดูต่อมน้ำนั้นโดยแยบใคร เมื่อเธอเพ่งพิจารณาดูโดยแยบขายต่อมน้ำนั้นก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในต่อมน้ำนั้นอ่ะจะพึงมีได้อย่างไรเขามีโยมคนหนึ่งเขาฟังบทตรงนี้นะเขาอยากสงสัยเอ๊ะต่อมน้ำมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันันหนึ่งฝนมันตกแกเลยลงไปดูที่สะบที่บ้านกนมีสะบ่อสะใหญ่เหมือนกันเห็นไห ก็ไปดูว่าตอมน้ํามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะอย่างที่พระพุทธเจ้าเทศน์นะนะก็ของเราก็เห็นแถวแถวชายคาฝนตกลงมาที่ตอมน้ํามันพองขึ้นแล้วแตกพองขึ้นแล้วแตกก็พอแล้วเนาะไม่ต้องลงทุนเปรียกฝนไปดูว่าหรือใครไม่เคยเห็นฝนตกใส่น้ามั่งจะเป็นตอมเป็นตอมแล้วก็แตกเป็นตอมแล้วก็แตกตอมใหญ่ตอมเล็กก็แล้วแต่เม็ดฝนที่มันตกลงมาถ้าเม็ดใหญ่หน่อยตอมก็ใหญ่ถ้าฝนตกเล็กๆมานะตอมน้ามันก็เล็ก แต่ถ้าน้ำเหมยมาเนี่ยมันจะมีมีมีต่อมเลือะไม่มีมั้มมมงเนาะมีแต่อระเหยขึ้นอย่างเดียวเนาะ